สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ตอนบุตรใหญ่หลงหายพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายวันนี้เป็นเรื่องบุตรบุตรใหญ่หลงหายครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบห้าข้อที่ยีิบห้าครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าฝ่ า, ายบุตรคนโตนั้นกําลังอยู่ที่ทุ่งนา เมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงโหรีและเต้นราเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ค่าลูกอัวอ้วนพีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายที่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาคัดชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูเนี่ย ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้แพรนสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วอนพีเลี้ยงเขา บิดาจริงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะได้รื่นเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพี่น้องครับเราจะเห็นว่าคำอุปมาเกี่ยวข้องกับบุตรน้อยที่หลงหายตั้งแต่ข้อที่สิบเ็ด เลื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายของบทที่สุดห้านี้ทำปุกออมาเรื่องบทน้อยหลงหายนั้นไม่ได้จบลงที่คุณพ่อมีความสุขเมื่อบุตรกลับมาครับแต่คุณพ่อไม่มีความสุขเพราะเหตุที่ว่าบุตรคนโตหรือบุตรใหญ่นี่นะครับก็หลงหายไปด้วยแต่ความนี้ไม่หลงหายไปที่อื่นครับเขาหลงหายในบ้านของตัวเอง ข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อที่สามสิบบรรยายถึงความอิจฉาครับของลูกคนโตลูกชายคนโตเมื่อเขากลับมาจากทุงท่งนาอยทำงางานมาเหนื่อยๆนะครับเขาได้ยินเสียงดนตรีพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระมปี บ, บ, บ, บันบันทึกนะครับค่อนข้างจะละเอียดให้เห็นถึงค่าทีของบุตรชายคนโตคนนี้พระมปีบันทึกว่าเมื่อเขาได้ยินเสียงมโหรีและเต้นลํา เขาไม่ได้เข้าไปหาหรือเข้าไปเพื่อที่จะหาคำตอบแต่เขากลับเรียกบ่าวของเขาคนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันบ่าวก็ตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาก็ให้ฆ่าลูกอวัวอ้วนผีมาเลี้ยงกันเป็นการเฉลิมฉลองปรากฏว่าบุตรใหญ่บุตรคนโตนี้โกรธมากครับแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปข้างในเพื่อตอนรับน้องชายที่กลับมาบ้านแสดงว่า ความสัมพันธ์ของลูกชายหรือพี่ใหญ่คนโตนั้นกับน้องชายคนเล็กนั้นไม่ดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งแรกเลยที่ได้ยินข่าวว่าน้องกลับมาและมีความการเฉลิ้นฉลองความรื่นเริงเกิดขึ้นปรากฏว่าต่อมอิจฉานี่นะครับหลังฮอร์โมนเลยครับหลังฮอร์โมนถึงความอิจฉาไม่ยอมเข้าไป ในขณะเดียวกันครับก็ไม่มีความสุขเกิดขึ้นพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวที่เราอิจฉาคนอื่นแน่นอนครับไม่มีความสุขครับหลายหลครั้งที่เราเปรียบเทียบแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเราไม่มีความสุขครับเราได้ให้ฤทธิ์ของความอิจฉามาจัด ก, กินชีวิตของเราเราได้ให้ผลร้ายแห่งการอิจฉาดิยานั้น ทำให้ชีวิตของเราตกต่ลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราตกต่ำไปเรื่อยๆมันบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่ต้องดูนะครับในข้อที่ยี่สิบเก้าข้อที่สามสิบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการบ่นต่อว่านะครับข้อที่ยี่บเก้าครับเราเห็นว่าบิดาออกมาชักชวนแต่เขาบอกกับบิดาว่าดูนยะ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบรรทัาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นโรงยินดีกับเพื่อนฝูงข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ซึ่งได้แลา่สิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกอ้วนพี่เลี้ยงเขาลูกชายคนโตคนนี้หรือพี่ใหญ่คนนี้กําลังทําอะไรครับกับคุณพ่อเขา กำลังกล่าวหาคุณพ่อกำลังบ่นต่อว่าคุณพ่อกำลังตำหนิคุณพ่ออย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงมากโกรธแล้วก็ตำหนิคุณพ่อนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่บ่นเฉยๆนะครับบ่นว่าด้วยตำหนิ ด, ด้วยโกรธด้วยและแถมอย่างปรามาคคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมพี่น้องครับความรู้สึกอิจฉาริษยาความรู้สึกขาดนะครับความพรัก ความเมตตาความสงสารน้องในขนาดเดียวกันครับก็นํามาซึ่งความรู้สึกที่กล่าวหาตั้งข้อหาพระเจ้าตั้งข้อหาบิดาของเขาเองที่ได้ให้ความรักความเมตตาแก่เขาพี่น้องครับเขารู้สึกว่าน้องชายคนนี้ละทิ้งและไม่สนใจครอบครัวและแถมยังถวาญเงินของพ่อ งานในทุ่งนาของเขานะครับก็ไม่ทำเพราะว่าได้ออกไปหาความสุขส่วนตัวไปเตะเตรไปผานเงินแต่ความรับผิดชอบต่างๆนั้นก็ตกมาเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตหรือบุตรใหญ่ครับเขาจึงไม่อาจชื่นชมินดีกับน้องของเขาที่กลับมาบ้านดูเหมือนว่าน้องของเขานั้นได้รับสิทธิพิเศษนะครับสามารถที่จะผานเงินได้ในเวลาเดียวกัน ก็คุณพ่อก็ต้อนรับเขากลับบ้านเฉลิมฉลองแต่เขาเองที่ขยันทำงานอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ไปไหนที่เจ็บรักษาสร้างเงินนะครับให้จับบ้านและครอบครัวของเขาปรากฏว่าแม้แต่ลูกแพะตัวหนึ่งก็ไม่มีการเลี้ยงกันไม่เคยให้ความชื่นชมยินดีพี่น้องครับความรู้สึกนียครับเป็นความรู้สึกที่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับถ้าเราไม่มีใจที่กว้างพอถ้าเราไม่มีหัวใจที่เปิดออกยอมรับคนบาปถ้าเราคิดแบบคนธรรมดาทั่วไปนะครับคิดน้อยอกน้อยใจคิดมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคิดมีความรู้สึกว่าไม่เห็นพระคุณไม่เห็นคุณค่าพี่น้องครับ พี่ชายคนโตนั้นเป็นคนที่น่าสงสารแต่ดูเหมือนว่าเขามีเหตุผลที่เขาจะคิดแบบนั้นคำถามของเราก็คือว่าทำไมทำไมพระเยซูจะต้องบรรยายถึงท่าทีการตอบสนองของพี่ชายคนโตด้วยจุดประสงค์ของพระเยซูที่บรรยายถึงการตอบสนองของพี่ชายคนโตมีอยู่สองประการครับประการแรกก็คือ พระเยซูกําลังบรรยายถึงท่าทีพวกฟาริสีพวกเขาอิจฉาที่พระเยซูทรงให้เวลากับคนเก็บภาษีและคนบาปพวกเขามองดูชีวิตของเขาเองเขารู้สึกว่าพวกเขาส่างหาที่สมควรได้รับสิทธิจากพระเจ้าสิทธิพิเศษด้วยจากพระเจ้าเพราะพวกเขาพยายามที่จะรักษากฎบัญญัติพวกเขารักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติพวกเขาเขียนหนังสือสั่งสอนฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสงสารสําหรับคนที่ไม่รักษากฎบัญญัติ พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเพราะพระเยซูเลือกที่จะคบค้าสมาคมกับคนบาปอันนี้คือคนประเภทแรกครับก็คือพวกฟาริสีคนประเภทที่สองก็คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระเยซูรวมทั้งพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับพระเยซูรปรารถนาที่จะสอนเราให้เราอย่าให้เป็นเหมือนกับคนฟาริสีอย่าให้เป็นเหมือนกับบุตรใหญ่นะครับก็ในที่สุดนั้น บุตรใหญ่ก็หลงหายไปเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเขาเข้าใจความรักผิดไปเขาไม่เข้าใจเรื่องของพระคุณเขาไม่เข้าใจหัวใจของพระบิดาหัวใจของคุณพ่อบนสวรรค์นี่นรับเป็นสิ่งที่น่าสงสารพี่น้องครับอย่างเราเป็นเช่นบุตรใหญ่นะครั บ, รบยยก็บุตรใหญ่ก็หลงหายไปนะครับไม่แตกต่างจากบุตรน้อยครับขอพระเจ้าช่วยเหลือและวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูนะครับในลูกาบทที่สิบห้าที่มีแกะหายเหรนหายและบุตรหายอาเมน